ก็บอกอะไรนะอา้าวบางคนนี่พออยู่ในคันพอคลอดวันที่คลอดเท่านั้นแหละฝนระเบิดฝนอะไรฝนอาวุธยังตกลงมาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดอา้าวแล้วถ้าผู้มีบุญระดับพระพุทธเจ้าฝนทองทำไมจะตกไม่ได้ใช่ไหมที่วดาก็มาช่วยกันโปรยทองเต็มไปหมดอา้าวบางประเทศสมัยนีพ้พออยู่ในคันคลอดออกมาเท่านั้นแหละว่าฝนอาวุธเนี่ยนะตกลงมากระจายทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดนะพวกนี้เขาโอ้ยน่าดูเหมือนกันนะ คำว่าคำว่าน่าดูนี่แปลว่าไม่ใช่แปลว่าอยากดูนะแปลว่าแมมมันสุดๆเลยนะเกิดมาแล้วก็บอกพอคลอดออกมาแค่นั้นแหละอดอยากหิวโหยมาตลอดเลยนะบอกว่าเด็กที่เกิดในบ้านเมืองที่สมัยสงครามนี่มันเดือดร้อนตรงกันข้ามกับผู้ที่เกิดในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าบ้านเมืองสงบร่มเย็นนะมีแต่ฝนตกฝนทองคำเนี่ยนะที่มีค่าประชาชนไม่เดือดร้อนไม่มีใครยากจนก็นว่าเกิดในสมัยของผู้มีบุญ ก็เป็นอย่างนั้นจริงถ้าเกิดในสมัยผู้ไม่มีบุญเนี่ยเชื่อไหมแผ่นดินมันแห้งแล้งไปทุกแห่งกล่าวว่าอดอยากไปทั่วไปทั่วแผ่นดินไปหมดถ้าเกิดในสมัยผู้มีบุญเนี่ยนะแผ่นดินอุดมชุ่มชื้นกล่าวว่าข้าวปลาธัญญาหารหาไม่ยากเลยนะมันแล้วแต่ยุคเหมือนกันนะมันแล้วแต่ว่าใครมีบุญหรือใครหมดบุญมาเกิดเนี่ยนะถ้าพวกมีบุญมาเกิดสบายถ้าพวกหมดบุญมาเกิดเดือดร้อนเนี่นะนะเพราะใช้มาหมดแล้วนะใช้มาหมดแล้วเหลือแต่ตัวแต่ว่าบุญนี่ใช้มาเกลี้ยงแล้วเหลือร้อนแน่ นี่ก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์ผู้มีบุญมาเกิดผู้สร้างสมบุญบา ร, รมีสิบมาเกิดเพื่อที่จะช่วยพาสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากโขละสงสารพระองค์นั้นครองคารวาสวิสัยอยู่ประมาณ3 0มพันปีมีปราศาท3รสมหลังน ะ, ะ, ะ, ะปราสาทที่หนึ่งชื่อว่าดสิตแปล ว, ว่าหน้าหน้ารื่นเริงสันดุสิตบอกหน้ารื่นเริงอย่างยิ่งแล้วก็สันตุธะ ก็ปร า, าสาท3ฤดูนั่นเองก็แปลว่ามีตึก3าหลังอ่ะนะคอยดูแลมีนางบำเรอประมาณ 16,00 งนางคําว่านางบำเรอก็คือเจ้าพนักงานที่แผนกดูแลสวนเท่านี้อ่ะนะเข้าเวรออกเวรแผ น, นกยืนยามเท่านี้แผนกดีดสีตีเป่าร้องรําทําเพลงเท่านี้แผนกดูแลเรื่องอาหารเท่านี้พนันสา0 0มืก็มาแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเกลุ่ ม, ก, มก็เปลี่ยนเวรกันนั่นเองอ่ะนะเขาเรียกว่าส0 0 0ม บางคนก็ไปเข้าใจผิดนะว่าโอ้ท่านมีเมีย ม, มากขนาดนี้เลยเลอเขาไม่คิดแต่คาราว่าคนที่คิดอย่างนี้แหละประกาศถึงว่าจิตใจกลุ่มไหนนาอยงั้นนะผูกพันกับเรื่องอะไรก็ไม่ทราบคิดอยู่ได้แค่แค่นั้นอ่ะนนจริงๆแล้วพระองค์มีมเหสีอยู่คนเดียวชื่อว่าพระนางรูจิคัตตาคัตาเนี่ยแปลว่าร่างกายนะรูจิแปลว่าหน้าหน้าน้าเพลิดเพลินอ่ะนะแปลว่านางผู้มีร่างกายที่น้าเพลิดเพลินเจริญใจอย่างนั้น แต่ก็เกิดในตระกูลพรามก็เลยเรียกว่านางพรามมณีพระองค์นั้นมเมื่อบุดบุก็คือโอรสนะเกิดชื่อว่าสัทธวหะโอรสของนางรุจิคตาพรามมณีเกิดพระองค์คือพระโพธิสัตว์เห็นนิมิต ท, ทั้งสี่ก็ขึ้นคอช้างค อ, นะอช้างต้นหรือช้างสําคัญช้างประจำท่าที่นั่งเนี่ยนะออกอภิเนศกรมด้วยยานช้างผนวดแล้วก็มีบุตรสามหมื่นบวชตาม พระองค์อันมันประชิดเหล่านั้นแวดล้อมก็บาเพ็ญเพียรหเดือนรวบรวมโพธิปัจยธรรมรวบรวมสติปัะฐานสัมมปาประญาอิทิบาทอินทรพละโพชงองค์มัชหรือว่าวิจัยธรรมะเนี่ยนะอยู่6เดือนเต็มวันวิสาขบุรมีก็เสวยเข้ามาทุ ป, ปายญาติที่อกคิโสนะพรามกุมารีหมายความว่าลูกสาวของพรามชื่อว่าอาคิโซนะเนี่ยนะถวายซึ่งเป็นที่ดาของอาคิโซนะพราม พระุพธิสัตว์พักกลางวันณป่าตะเคียนป่าตะเคียนเนี่ยนะจริงแล้วถ้าต้นตะเคียนเนี่ยร่มเย็นดีนะตาตะเคียนนี่ร่มเย็นนะใบก็ดกหนาทึบดีก็พักสบายตกตอนเย็นพระองค์ก็รับหญ้าแปดกรรมที่คนเฝ้าไร่ข้าวเหนียวชื่อว่าชะตาตินทุ ก, กะถวายพระองค์ก็เข้าไปยังโคนโพพฤกชื่อว่าต้นอุทุมพรคือไม้มาเดือต้นมาเดือที่มีขนาดที่กล่าวมาแล้ว เป็นต้นมะเดื่อที่พรั่งพร้อมไปด้วยความเจริญแห่งผลด้างทิฏทักษิณทรงลาดสันทัศนาตว่าง22นั่งขัดสมาธิกำจัดกองกำลังมานแล้วก็พระองค์ได้ทศพลยา น, น, น, นก็คือแปลว่าบำเพ็ญข้อปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนแต่เจริญดำเนินตามวิสุธทธิทั้ง7ประการนั่นแหอะนะคืนสุดท้ายอย่างไรก็ต้องจะตุปาริสุทธิลิน สมาธิทั้งอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิทั้งรูปและอรูปทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็ปุเพนิวาสานุสติยาระลึกชาติได้รู้สัตวเกิดสัตว์ตายพิจารณาปฏิจจสมุบาติทั้งอนุโลมและปฏิโลมแทงตลอดอริยสัจโดยนยิยต่างๆแล้วก็เท่ากับอภิเศกด้วยสัจจาพิเศษตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, านะเสร็จแล้วพระองค์ก็แป่งพระพุทธอุทานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ ละเลยแต่แล้วก็ยับยั้งอยู่บริเวณแถวนั้น7สัปดาห์สัปดาที่หโพธิบาลังสัปดาที่2อนิมิสเจดีสัปดาที่3รัตนจงกรมสัปดาที่4รัตนคารเจดีสัปดาที่ี่ห้า5กเจ็ก็เห็นตาแล้วแต่จะเห็นสมควรเช่นถ้าพระพุทธเจ้าของเราที่สัมมุจลินบ้างอาชาปาละนิคโครดบ้างราชายตนบ้างนะก็หลายแห่งอีกตามสมควร พอพระองค์ประทับอยู่นั้นสัปดาห์ที่8ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะก็พิจารณาธรรมแล้วไม่น้อมไปเพื่อสอนพระอง์ก็อาราธนาพระองค์ก็ตรวจ ด, ดูสัก์ตรวจ ด, ดูอุปนิสัยของผู้ที่จะตรัสรู้ก็เห็นอุปนิสัยสมบัติของภิกษุจํานวนสามหมื่นที่บวชพร้อมกับพระองค์พระองค์ก็เหาะไปทางอากาศไปลงที่ป่าอิสิป ต, ตนมรุกขายวันที่ไหนแขวงเมืองพาราณสี แต่เมืองพระนศีตอนนั้นมีชื่อว่ากรุงสุทัศนะนครอยู่พระองค์ก็อยู่ท่ามกลางภิสูจเหล่านั้นประกาศธรรมจักรประกาศพระธรรมจักประกาศอริยสัจประกาศข้อปฏิบัติที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์แปด ที่จกักขูกรณียานะการณีธรรมจกักทรงให้เกิดทำยานให้เกิดเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานข้อปฏิบัติอันนั้นก็คืออริยมรตอันประกอบไปด้วยองค์แปที่เป็นไปเพื่อแทงตลอดทุกสมุทัยนิโรธมะะรรคอารยศาสตร์เนี่ยนะทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งอริยมรตอันประกอบไปด้วยองค์8ดควรเจริญในอารยศาสตร์สีก็มีสัจญานกิจญานและกตะตญาณเนี่ยนะ ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ตรัสรู้ตามดังที่กล่าวมาแล้วก็ปฏิญาณไม่ได้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่เนื่องจากตรัสรู้ตามที่กล่าวมาแล้วแล้ะก็รู้ว่าบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปเนี่ย น, นะทั้งปัจเจกขณะยานแล้วก็พิจารณาให้ครวญอย่างละเอียดทีท้วนหมดพระองค์จึงปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ประกาศถ้าธรรมจักรนั้นก็มีผู้ที่ตรัสรู้ตามเห็นอริยศาสตรตามที่พระองค์แสดงนะประมาณสา 0,000 ื่นโกฏ เราก็เปิดโลกทางปัญญาให้เกิดขึ้นเนี่ยนะปัญญาก็เกิดขึ้นเห็นอริยสัจทำมาจากโสมีโสดาปฏิมักสกะทาคามิมักอนาคามิมักเกิดขึ้นว่ายังกินจิสมุทยะยธรรมังยังกินจิเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมายถึงอุปาทานขันห้าหรืออายตนะสิเนี่ยเกิดขึ้นสมุทะยะสมุไทยเนี่ยมีเหตุเป็นแดนเกิดนะสัพพันธ์ทางทุกทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยท่าแทงตลอดนิโรสัจจะกองทุกทั้งมวลล้วนแต่ ดับไปทั้งหมดเนี่ยนะก็ตรัสรู้อริยสัจได้ตามพระพุทธเจ้าต่อมาอีกหลังจากที่ประกาศถ้าธรรมจักแล้วพระองค์ก็ทํายะมะกะปาฏิหารก็คือเกี่ยวกับการเล่าพวกนี้นะเราย่อเทศนาเนี่ยย่อได้ใช่ไหมเทศนาจะหยิบเอาตอนไหนตอนไหนมากล่าวแค่คร่ า, ราวๆก็ไม่ยากนะนะนี่ถ้าท่านแสดงละเอียดพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ละเอียดยิบองค์ที่สองละเอีย ด, ย, ย, ดยิบมา28องค์เนี่ยนะโอ้ไม่ต้องไปไหนกันแล้วเนี่ยนะ กระเป๋าก็อะไรนะแปดหมพันพระธรรมขันคูณ28เนี่ยเท่าไหร่ดีโอ้โหเรียนกันเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะเขาบอกว่าแค่อักขั้นเล่าอะไรนะพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาอุปทาอะ น, นะมเหสีโอ้ยค่นี้ก็จําไม่ได้แล้วนะจะไปกลาา่าวแม้กระทั่งรายละเอียดลงหมดอนยะ่างนั้นโอ้โหไม่ต้องไปไหนกันแล้วสูตรนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสที่นั่นเมื่อนั้นอย่างนั้นเนี่ยโอ้แค่นี้ก็จําให้ไม่ได้สักสูตรเธอเนี่ยนะ นสมัยต่อมาหลังจากที่พระองค์แสดงยมกะปาติหารณ์นครต้นมหาสาละใกล้ประตูสุทศน์ศรนครพระองค์ก็ยังสัตว์สองหมื่นโกธให้ดื่มอมตะธร ร, รมเนี่ยนะคือหลังจากที่พระองค์แสดงยมกตะปาติหารเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรวจ ด, ดู อ, อุปนิสัยของสัตว์แสดงธรรมก็มีผู้ตรัสรู้ตามมากมายอันนั้นเป็นอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สอง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระพิธรรมปิดกโปรดเทวดาทั้งหลายที่มาประชุมกันในหมื่นจักรวาลมีพระนางอุตราพระชนนีของพระองค์เป็นประธานก็มีผู้ตรัสรู้ตามสประมาณหมื่นโกดังที่พระองค์ตรัสเป็น คถาว่าต่อจากสมัยพระผู้ของพระพุทธเจ้ากากุสันทะผ่านไปก็มีพระชินะพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าผู้เจริญที่สุดผู้องอาจในหมู่นรชนพระพุทธเจ้าโกนาคมณะพระองค์นั้นบำเพ็ญบารมีทั้งสิบเก้าล่วงทางกันดารมีชาติเป็นต้นนะนะกันดานเนี่ยการเกิดเนี่ยมันกันดารแท้แห่งแลรงแท้ก็คือ การเกิดการแก่ความตายเนี่ยนะเพราะเกิดมานั่นแหละจึงต้องไปเดินทางที่กันดานไปอยู่ในสถานที่อดอยากถ้าไม่เกิดจะต้องมาอยู่สถานที่กันดานแห้งแล้งและอดอยากไหมพันการเกิดนี่แหละชื่อว่ากันดานที่สุดแล้วงั้นพระองค์เก้าล่วงทางกันดานคือชาติชรามรณะลอยมนทินคือราคะโทสะโมหะทั้งปวงบรรลุโพธิญาณคือสัพพัญญุตยานอันสูงสุด เมื่อพระโกนาคมณะผู้นำโลกประกาศพระธรรมจักรอภิสมัยการตรัสรู้ทำครั้งที่หนึ่งประมาณสามหมื่นโกดเมื่อพระองค์ทำยมกะปาฏิหารย่ำยีคำติตเตียนของฝ่ายปรปักก็คือมีบางยุคเนี่ยนะมีผู้ที่เข้ามาคอยแบบทั้งเน็บทั้งแนมคอยคอยยุแยงตะแคงรั่วคอยสารพัด ท, ที่จะที่จะมาแกล้ง น, นะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าแกล้งสารพัดอย่างที่จะทาพระองค์ก็แสดงยมกาปาฏิหาร แล้วก็แสดงอริยสัจจะรมเขาเหล่านั้นก็ได้ตรัสรู้ประมาณ2องหมืโกดต่อจากนั้นพระชินะสามพุทธเจ้าก็แสดงฤทธิ์ต่างๆเสร็จแล้วก็เสด็จไปยังเทวโลกประทับนั่งเหนือบรรโุกัมพลศิลาอาแทนนะนะเทวโลกสวรรค์ชั้นดาวดึงพระมุนีพระองค์นั้นประทับจำพรรษาแสดงพระพิธรรม7คัมภี์การตรัสรู้ธรรมครั้งที่2องเขากการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สได้มีแก่เทวดาประมาณหมื่นโกด บทว่าวิกุปพนังแสดงฤทธิ์ต่างๆพระผู้มีพระภาคเจ้าทำยะมะกะปาฏิหาริ์ใกล้ประตูกรุงสุทัศนนครแล้วก็เสด็จไปยังเทวโลกจำพรรษานะถ้าแทน่นบรรดุ ก, กรรพลศิลาอาสน์ในเทวโลกถามว่าพระองค์จำพรรษาอย่างไรตอบว่าก็จำพรรษาโดยการแสดงอภิธรรมเจ็ดคำพีอธิบายว่าทรงอยู่จำพรรษาแสดงพระพิธรรมเจ็ดคำพีแก่เทวดาทั้งหลายในเทวโลกนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระอภิธรรมณที่นั้นอย่างนั้นอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมก็ได้มีแก่เทวดาประมาณหมื่นโกดแม้พระโกนาคมณะเนี่ยนะผู้บำเพ็ญบารมีอันบริสุทธิ์มีสาวกสันิบาตครั้งเดียวคือตอนที่พระองค์ประทับอยู่นะสนทวดีอุทยานกรุงสุรินทวดีพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดพระราชโอรสของพระองค์ชื่อว่าพิโยสาราตโอรสเนี่ยนะ พระราโอรสสองพระองค์ะนะคืออะไรโอรสพริโยสาราษพิโยสาราชและก็อุตตรราชโอรสพร้อมทั้งบริวารชนเหล่านั้นทั้งหมดก็บวช ด, ด้วยเอหิภิขุหลังจากนั้นพระองค์ก็ประทับนั่งข้ามกลางพิสุเหล่านั้นยกปาติโมกขึ้นแสดงหน้าวันมาฆบุรมีวันมาฆ ค, คือวันเพ็ญเดือนสามเนี่ยนะวันเพ็ญเดือนสเป็นวันที่พระองค์ประกาศ โอวาสปาติโมกสัพาปาปัสสะาการนังกุสละสู้ปะสัมปทาสจิตตะประโยชน์ทัปนังเอตังพุทธานาซาสนังเนี่ยนะนะก็ไปเมื่อไม่นานนี้ก็ได้ไปสวดโอวาสปาติโมกันน่ยนะนะไปอ่านตามโอวาสปาติโมก <c oughs> จะว่าสวดก็ไม่ใช่นะไปนั่งเอากลางทงาไงบอก็กลางตาราอ่านสิไปยากกันเลยสมัยใหม่เนี่ยซีหลอกออกมาทีได้ตั้งหลายชุดนะก็ไปแจกแจกกันอ่านช่วยกันอ่าน อันนี้จะพิมพ์เยอะและนะเรช่วยๆกันอ่านโอวาทปาติโมกให้จำให้ได้น ะ, ะทีนี้พอถึงในพุทธวงศ์นั้นกล่าวว่าพระโกนาคนามณพุทธเจ้านั้นผู้เป็นเทพแห่งเทพพระองค์นั้นเนี่ยทรงมีสันนิบาตการประชมพระขีขีนาศกผู้ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่อยู่ครั้งเดียวครั้งนั้นเป็นสันนิบาตประชมภิกษุสาวกสามหมื่นผู้ข้ามโอคะหักานมัจจุได้แล้ว คำว่าโอคเนี่ยนะคำว่าข้ามผู้ข้ามโอคา่าคำว่าโอคะเนี่ยเป็นชื่อของกิเลสสี่ประการกามโมคะทิโถโขค่าพวคา่าและอวิชโชคะาคำว่าโอค่ามีความหมายว่าถ้าผู้ใดมีโอค่าสี่เหล่านี้ร่าผู้นั้นให้จมลงอยู่ในวะะัฏฏะก็เลยเรียกว่าโอคะเป็นตัวที่ฉุดให้อยู่ในขันธาตุอายตะนะฉุดเอาไว้ในชาติชาราและมรณะเป็นต้นสิ่งที่มันฉุดที่มันข้า ด, ดึงให้ไปตาม ชาติชรามรณะสิ่งนั้นเรียกว่าโอคะพระอรหันตเหล่านั้นข้ามโอคะทะเลทุกเหล่านั้นเสร็จสิ้นแล้วล่วงโอคะทั้งสฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราเป็นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปัพปะตะกรุงมิทิลานครครั้งนั้นพระองค์พระราชาพร้อมทั้งขราชบริพารสดับขตรว่าพระโกนาคมนะพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้มาเป็นที่พึ่งเป็นสารณะของสรพสัต พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จมาจนถึงกรุงมิถิลนครพระโพธิสัตว์ก็เสด็จออกไปต้อนรับถวายบังคมนิมนต์พระทศพลเพื่อถวายมหาทานพระโพธิสัตว์ก็ทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้ประทับจำพรรษาณเมืองมิถิลนครนั้นเสร็จแล้วก็บำรุงพระษาสดาพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกตลอดสมเดือนแสดงว่ามีอะไรบ้างก็สร้างตั้งแต่เสนาสนะเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะ ถวายของมีค่ามากเช่นผ้าไหมผ้าที่ทำในเมืองปันตุนะผ้าทําเมืองจีนผ้ากาพลผ้าแพ้ผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายเป็นต้นผ้าเนื้อละเอียดถวายฉลองพระบาทรองเท้าประดับทองบริคานอื่นๆเป็นอันมากพระผู้มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวโกนาคมณะก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่า ในกัปนี้นี่แหละท่านจกได้เป็นพระพุทธเจ้าอีกไม่นานแล้วนะผ่านพระพุทธเจ้ากัสสปะไปก็เป็นยุคของท่านแล้วงั้นครั้นั้นพระมหาบุรุษนั้นสดับคําพยากรณ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ส่งบริจาคราชสมบัติอย่างยิ่งใหญ่ผนวดในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสในพุทธวงว่าสมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์นามว่าพระเจ้าปัพปะตะพร่งพร้อมด้วยมิตรอมาร มีกำลังพลและพาหนะหาที่สุดมิได้เข้าไปเฝ้าพระผู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดับธรรมะอันยอดเยี่ยมนิมนต์พระองค์พร้อมทั้งพระสงฆ์พุทธชินรศ ถ, ถวายทานจนพอแก่ความต้องการได้ถวายผ้าไหมทาในเมืองปันตุนะผ้าที่ทําในเมืองจีนผ้าแพรผ้าตาพละนะถวายรองเท้าคือฉลองพระบาทประดับทองแด่พระศาสดา พ, พร้อมทั้งพระสาวก พระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นประทับนั่งนัท่ามกลางสงพยากรเราว่าในพัตกาบนี้ท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าใช่เสร็จแล้วก็พยากรรายละเอียดเช่นกับที่เราฟังมาแล้วพระโพธิสัตว์นั้นหลังจากได้รับสดับคําพยากรของจากพระพุทธเจ้าพระนามวาโกนาคมนะจิตก็เลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดอย่างยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อบําเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์ พระองค์บอกว่าเรากำลังสแสวงหาพระสัพพัญญุตยานสแสวงหายานที่เป็นอาสาธรรณะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าที่จะช่วยรื้อขนสัพสัตให้พ้นจากทุกเนี่ยนะเพื่อจะได้ยานอ น, นั้นก็ถวายมหาทานแด่พระผู้สูงสุดในนรชนได้สละราชสมบัติที่ยิ่งใหญ่บวชในสำนักของพระชินเจ้าคำบอกว่าถวายอาหารพอแก่ความต้องการเนี่ยนะยะิชะกังก็หมายความว่า เลี้ยงดูคือคือถวายอาหารแดดพระสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยอาหารสี่อย่างก็จนบอกว่าพอแล้วพอแล้วนะเอามือปิดบานบอกไม่รับเพิ่มอีกแล้วนะถวายแก่ใครถวายแดดพระาศาสดาพร้อมทั้งสาวกผู้สูงสุดในหมู่ชนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโคตอ่าโกนาคามานะนั้นมีนครที่เกิดชื่อว่าโสภวดี มีกษัตริย์พระนามว่าโสภะตระกูลของพระสัมพุทธเจ้านั้นเป็นตระกูลที่ใหญ่อยู่ในเมืองนั้นคืออยู่ในเมืองโสภวดีพระโกนาขมณะพุทธเจ้าผู้เป็นพระาศาสดามีพระพุทธบิดาเป็นตระกูลพราหมณ์ชื่อว่ายัญยทัศน์พระชนนีเป็นพราหมณีชื่อว่าอุตตราพระองค์นั้นมีอักขระสาวกชื่อว่าพยโยสะและอุตรภูธาอุปถาชื่อว่าโสติชะ พระอัครสาวิกาชื่อว่าสมุทาและอุตตราโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนามว่าอุทุมพรก็คือต้นมะเดือ่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสูงประมาณ30ศอกประดับด้วยพระรศมีเหมือนทองในเบ้าช่างทองเรียกว่าทองที่กำลังละลายคว้างนะงดงามดูสีเนี่ยสีสวยฉันใดพระพุทธเจ้าก็มีเผิวพันฉันนั้นในยุคนั้นพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคเจ้าสามหมื่นปี พระองค์ชนทรงชนมีอายุยืนถึงเพียงนั้นก็ยังชนหมู่มากให้ข้ามโอเะสงสารพระองค์ด้วยพระสาวกด้วยช่วยกันยกธรรมะเจดี JD, อันประดับด้วยผ้าธรรมะเนี่ยนะประดกด้วยธรรมผ้าธรรมะทรงทําเป็นพวงมาลัยดอกไม้ทำแล้วก็ดับขันทปรินิพานพระสาวกของพระองค์พิร่าฤทธิ์อย่างยิ่งใหญ่ และพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประกาศธรรมอันเป็นสริริทั้งหมดทั้งนั้นก็อันตรทานไปสิน้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยนะอย่างเราค่อยดูนะพวกเรานะอีกห้าร้อยปีนี่จะเหลือชื่อเสือแซ่เหลื อ, เห ล, อเหลือเป็นบัตรในประวัติศาสตร์ว่าม่เมื่อเมื่อห้าร้อยปีที่แล้วเนี่ยนะมีนายคนนั้นพระคนนี้เนี่ยยังมั่งจะเหลือบ้างไหมโอวยเขาโอนทิ้งไปตั้งนานแล้วก็บอกรก แม้แต่ชื่อเขายังไม่ให้เหลือเลยว่างั้นจะกล่าวไปใหญ่ถึงขี่เท่าว่างั้นนะเอาไปทําปุ๋ยหมดแล้วว่างั้นนะสงสารตัวเองไม่นะ้อยห้าร้0ยปีนี่จะเป็นยังไงโอ้ยเกิดใหม่ตั้งนานแล้วสมมติว่าถ้าอายุสั้นๆนะเกิดตายตั้ง5รอบเป็นอย่างน้อยว่างั้นถ้าอีก500ปีไปแน่นะอาจจะเกิดตายอีกสัก78รอบไปแล้วนะถ้าอีก500ปีเกิดแก่ตายอีก7จ็รอบแล้ลึกชาติไม่ได้นะอย่าว่าแลลึกชาติเลยที่ฟังเมื่อเช้าฟังว่าอะไรบางอย่างจําไม่ได้เลยจะกล่าวไปใหญ่ถึงว่าะลึกชา 500, 7, ชาาตติิ500700ที่ไหนนะ บอกว่าธรรมเจติยังสมุติเสตาวาเนี่ยนะบอกว่าพระองค์เนี่ยประดิษฐานพระเจดีย์ที่สำเร็จด้วยโพธิปักขยธรรมโพธิปักขยธรรมเนี่ยเป็นเจดีย์ขึ้นมาเลยนัใหญ่โตมากนะสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินสีพละ โพ ธ, ธิปัจขยธรรมนั้นประดับด้วยธงคือสัจจะสีจะประกาศสติประธานก็ลงที่อริยศาสตร์ประกาศสัมมาประธานอิธิบาทอินทรพราพโธชงองค์มร ก, ก็ลงที่อริยศาสตรเพราะโพ ธ, ธิปัจขยธรรมนั้นนับเนื่องในมรคสัจนับเนื่องในอริยมรคสัจจ ะ, ะ, ะถ้ากล่าวถึงมร ก, ก็แปลว่าทุกควรกําหนดรู้ได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยควรละก็ได้ละแล้วนีโรดควรทําให้แจ้งก็ทําให้แจ้งแล้วเพราะอะไร เพราะสร้างเจดีคือโพธิที่ปักจยธรรมไว้ในใจเสร็จสิ้นแล้วเจดี JD คือโพธิปักจยธรรมเนี่ยนะไม่ใช่เขียนติดไว้ที่ภูเขานะแต่หมายคำว่าจารึกเป็นสติประฐานเอาไว้ในในไหนในใจเนี่ยนะใ น, ในใจแล้ ว, วเรียนสติประฐานสูตรดูว่าจะจารึกลงถึงใจได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะบทว่าธรรมะปุพพากุลังกตวะทาให้เป็นพวงมาลัยดอกไม้ที่สําเร็จด้วยธรรม อธิบายว่าพระาศาสดาพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกปโปรดให้ประดิษฐานพระธรรมเจดีย์คือโพธิปัตยธรรมเพื่อให้มหาชนที่อยู่ณลานพระเจดีย์สำหรับบําเพ็ญวิปัสนาจะได้มานมัส ก, การนะหลังจากที่พระองค์สร้างธรรมเจดีย์คือโพธิปัตยธรรมให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทําการประพฤติปฏิบัติด้วยความเคารพพระองค์ทารรกิตเสร็จสิ้นแล้วก็ดับขันปริณิพาน นะจริงๆแล้วพระองค์เนี่ยยิ่งใหญ่มากมหาเวลาโศแปล ว, ว่างดงามด้วยฤทธิ์อย่างยิ่งใหญ่ทั้งพระองค์พร้อมทั้งพระสาวกเสด็ธรรมปรกาสโภประกาศโล ก, กุตระธรรมเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะประกาศอะไรประกาศโพธิปัจญาธรรมคือสติประฐานสัมมารประธานหรือประกาศมรซีผลซีประกาศพระนิพพานพร้อมทั้งข้อติบัติเสร็จสิ้นแล้วท่านเหล่านั้นก็อันตรธานไป กล่าวว่าสุขเขนะโกนาคมโนคตาโสวะเป็นต้นคตาโสโสโวเนี่ยนะพระโกนาคมนาพุทธเจ้าผู้มีอาสวะไปแล้วโดยสะดวกแต่ว่าสละอาสวะเสร็จสิ้นแล้วไปแบบคนไม่มีอะไรไปแบบไม่มีกิเลสยื่อใหญ่แม้แต่นิดเดียวพระองค์เป็นผู้ที่มาแห่งสัตว์ผู้ปราศจากกาม พระองค์ผู้สแสวงหาพระคุณที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่มาแห่งวงของพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์พระองค์ประทับอยู่ณป่าอันมีนามเป็นสิริอันสงบนะหลังจากนั้นที่ดับขันปริณิพานแล้วก็หมู่ประชุมชนก็ช่วยกันสร้างเจดีเป็น พ, พุทธบูชาเพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุกระจายไปนะทั่วถิน่นเรียกว่าในสมัยนั้นไปเป็นหมื่นจักรวาลแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราพระธาตุของพระองค์ก็ไปทั่วหมื่นจักรวาลนีนะ เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะเชิญคร